เราถากันมาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมการเจริญสติถือว่าเป็นแนวหน้าแนวหน้าของการลบข้าศึกที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจเราแต่ว่าแนวหน้าต้องรีบต่วนซะหน่อยอย่าพาลุงพลัง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 มันจะล้มก็หลงตรงนี้แหละแต่สิ่งที่หลงที่ทำให้หลงมากที่สุดคือกายกับใจถ้าไม่หลงตรงนี้แล้วอันอื่นก็ไม่หลงเพราะว่าการเจริญสติมันเป็นการสํารวมอายตนะไปในตัวเสร็จไม่ต้องไปหลับตาไม่ต้องไปหลบไปลีที่ไหนแม่แต่ได้ยินเสียงแม่แต่ตาเห็นรูปอะไรก็ตาม มันจะเป็นศักแต่ว่าไปเลยถ้าไม่ความรู้สึกตัวนะตัวใหญ่มันอยู่ตรงนี้ถ้ามีสติแล้วมันก็ไปล่อยได้หมดเลยเริ่มมันจะเกิดสิ่งอื่นตามไปเองจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปเองแม่แต่การบรรลุธรรมพระเรี้ยบบุคคลเบื้องต้นเห็นพระโสดาบันก็มาเห็นกายนี่แหละ กายานุปัสนาสกายาทิฏฐิทิฏฐิที่มีความเห็นผิดเห็นถูกอยู่ในกายถ้ามีสติเห็นกายอยู่ต่อเนื่องจะเป็นส ก, กายทิฏฐิเห็นถูกไม่มีตนอยู่ในกายไม่เสียเวลาอยู่กับกายเอากายให้เป็นเครื่องบรรลุธทำไปเลยหรือว่าส ก, กายาทิฏฐิไม่มีตนอยู่ในกาย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 ตรงไหนที่มันหลงตรงนั่นเป็นการบรรลุธรรมหลงที่กายก็ออกกายบรรลุธรรมหลงที่จิตก็กออกจิตเป็นเครื่องบรรลุธรรมการบรรลุธรรมคือทำให้เกิดความรู้สึกตัวบรรลุน้อยๆในไปก่อนพ้นน้อยๆไปก่อนแล้วเราก็ทำได้นะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ทำไม่ได้ทุกคนทำได้ใช้ชีวิตของเราเพื่อการเน่โดยตรงเพื่อความรู้สึกตัวโดยตรง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 ความเข้มของการปฏิบัติคือให้มีสติต่อเนื่องอยู่กับกายยาวๆเอากายเป็นหลักเสียก่อนอย่าไปยุ่งกับความคิ ด, คดจิตใจแม้มันจะมีก็เที่ยงไว้ก่อนกลับมาเอานิมิตรคือกายในตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนมีหลักมันมีหลักปฏิบัติทำมันเกาะหลักมันจับหลักเหมือนเรา ไตสะพานที่มีเราจับมันไม่หลุดไม่โหลนง่ายหรอกเพราะรูปแบบของเราเพอชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วเอื้อไหวไปมาเนี่ยมือเนี่ยมันก็มีจริงๆรูปแบบมือพคว่ำไห้บนเข่ามือตั้งไห้บนเข่ามือยกขึ้นมือกลับไปกลับมามันมีอยู่จับไปเกาะไปติดไปให้มันติด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 บทเรียนมาอยู่ตรงนี้ด้วยยาปฏิเสธบางคนพอบันชิดขึ้นมาก็ยุ่งกับความชิดไม่อยากให้บันชิดมันก็ชิดอย่าไปข้องแวะแบบด้านการปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นการเจริญสติจริงๆอาจจะยิ้มไม่น้อยเวลามันหลงคิดไปเพราะมันเห็นของจริงของจริงที่มันเกิดความหลงคือเกิดขึ้นกับกจิตใจเรานะให้ทําอย่างนี้ไม่สิ้นเปืองถ้าไปถือว่าผิดว่าถูก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 ความหลงความชั่วต่างๆมันเป็นปุ๋ยทําให้ความรู้สึกตัวงอกงามภายในตัวสําหรับ ผ, ผู้เก่านะถ้าหากมีความโกรธความโลภความหลงมันสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกตัวเหมือนปุ๋ยที่ทําให้ความรู้สึกตัวให้ต้นไม้งอกงามทุกตั้นแหละทําให้เกิดเป็นพุทธความหลงนั่นแหละทําให้เกิดเป็นพุทธ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 ลายเคลื่อนไหวรู้สึกตัวได้แนวหน้าพอแล้วไปได้เลยไม่ต้องมีอะไรไม่เห็นมีสมาทานไม่เห็นมีศีลไม่เห็นขอกรรมาฐานไม่เห็นอะไรไม่ต้องไปจุดทูปจุดเตียนตั้งเวลาเท่านั้นเท่านี้เพ่งอย่างนั้นอย่างนี้ตีะระฆังกําหนดเวลาให้ปฏิบัติต้องนั้นเพ่งเวลานั่งต้องแปดชั่วโมงตีะระฆังพานั่งตีะระฆังพาเลิก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 ที่มีอยู่ในกายในใจในชีวิตเราเกี่ยวกับต า, าก็ารู้สึกตัวได้ที่จะดูเลยหูฟังเสียงก็หรู้สึกตัวได้จะคบจะฉันจะอาบหน้าก็ารู้สึกตัวได้จะหลับจะตื่นก็ารู้สึกตัวได้หัดหลับหัดตื่นให้มีความรู้สึกตัวพอตื่นปับ๊บรู้สึกตัวอาจจะรู้สึกตัวก่อนตื่นก่อนลื่นตาก่อนที่มันจะตื่นจริงๆรู้สึกตัว ชัดเจนไม่สลืมส ล, ล, ลือไม่คลุมเครือไม่หมกมุ่นไม่เศร้ามองอะไรรู้สึกตัวชัดตื่นขึ้นมาตื่นภายในความรู้สึกตัวตื่นภายในชัดเจนแม่นยำนะาำการปฏิวัติธรรมแล้วทำอย่างนี้เราก็ทําได้จริงๆไม่มีใครทําไม่ได้ความรู้สึกตัวไม่ใช่เพศไม่ใช่ไวัยไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่ในกายไม่ใช่ชาติ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 นี่คือของเก่งสากลแห่งธรรมถ้าเรามีความรู้สึกตัวทุกชีวิตที่นั่งอยู่ที่นี่เกือบร้อยคนแต่เป็นคนคนเดียวทุกคนมีความรู้สึกตัวเอ้าสงบทันทีสงบทันทีต่างทุกชีวิตดีความรู้สึกตัวไม่ทําชั่วละความดีดจิตบริสุทธิ์ไปเลยไปเลยนะปานนี้นะทำเนี่ย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 ไปเป็นพงพ่วงจับอันที่มันถูกแล้วอันอื่น้าไปได้หมดเลยไม่ต้องไปจับหลายสิ่งหลายอย่างเรียกว่ากำมือเดียวปฏิบัติทำเอาเท่านี้ไปก่อนอย่ากลัวว่าจะไปรั่วอะไรถ้ามีสติที่มันประสบการณได้บทเรียนจนแน่นอยู่ในกายสติแน่นอยู่ในจิตใจแล้วอะไรมันจะไปปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็จะรั่วไปเลยก็จะหลุดไปเลย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 เปล df, ี่ยนรลายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกขยันทำความดีขยันทำความถูกภาวนาคือขยันขยันรู้นี่แลนะ้วเนี่ยไม่ต้องไปภาวนาไม่ใช่บริกรรมพุทโธพุทโธยุบหนอพองหนออันนั้นมันไม่ใช่ภาวนามันเป็นบริกรรมมันเรื่องเดียวบริกรรมบริกรรมมนิมิตอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งต่างหานไม่ใช่ภาวนาภาวนาคือขยันลู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 พิษของบุหรี่พิษของเหล้าก็จางกายหายไปเคยมีกิเลสตัณหาถ้าเก็ดวันมีความรู้สึกตัวมันก็สงบลงได้ปลูกต้นคร้าวต้นกล้าถ้าได้เจ็ดวันแล้วก็ติดแล้วไปดูต่างเขาแล้วมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติที่ไม่ชีวิตเราอันนี้เรามาสร้างโดยสิ้พระพุทธเจ้าจึงกาหนดเลยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีผู้ที่จเจริญสติต่อเนื่อง หนึ่งวันถึงเกียวันอาจจะเกิดคุณภาพเกิดชีวิตจิตใจเปลี่ยนไปอาจจะเป็นพระขึ้นมาได้อ น, นิสงส์สองประการเจ็ดวันอย่างไวอา น, นิสงส์สองประการคือเป็นพระอาณาคามีบุคคลหรือเป็นพระอรหันต์ได้จเจริญสติต่อเนื่องหนึ่งวันถึงเกีวัน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 ผ่านไปเลยนิพพานไปเลยมันเป็นวิสังขารไปเลยมันทำลายความหลงไปในตัวเสร็จสังขาราปรมาทุกขะสังขารเป็นทุกข์นิพพานังปรมังสุขะนิพพานไม่ทุกข์สังขารคือการปรุงวิสังขารการไม่ปรุงอยู่พร้อมกันเกิดที่เดียวกันเกิดที่เดียวกันแกตที่เดียวกันอ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 เพราะที่จริงแล้วเราอยู่คนเดียวเราอยู่กับหมู่ก็เหมือนกับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เหมือนกับอยู่กับหมู่ถ้ามันจะหลงอยู่กับหมู่เราก็ไม่หลงเนี่ยเวลาเราไปเินทวารเพื่อนชวนให้หลงเราก็ไม่หลงยิ่งดีจะได้ฝึกหัดตรงที่มันง่ายที่จะหลงจะได้รู้ตัวตัวบางทีเพื่อนชวนคุยพูดเล่นเพื่อนเราหลงโอ้เราไม่หลงเราไม่หลง เพื่อนเราพาหัวเลาะพาเล่นโอ้เราไม่หลงเราไม่หลงเราไม่เล่นมันจะเก่งตรงนั้นด้วยซ้าไปนะถ้ามีสติจริงๆช่วยตัวเองเป็นนะช่วยตัวเองเป็นทุกขกรดีเลยจะเป็นทางไหนก็ได้เพรเพื่อนเพราะเสียงแวดล่องอะไรต่างๆอาจจะเป็นเวทีของการเจริญสติไปหลายๆแบบนอกรูปแบบก็ได้ มันหลงอยู่ที่กายมันหลงอยู่ที่ใจเอ้ามันหลงอยู่ที่เพื่อนที่มิตรเอ้าเราก็รู้จักตัวได้อนี่ยดีไม่ใช่ถนอมลุยลุยความรู้จักตัวเป็นลักษณะการลุยลุยไม่ถนอมย่องเอาไม่ใช่แบบนั้นนะเหมือนเราเดินจงกรมไม่ใช่ย่องลุยลุยจะหน่อยให้มันรู้จักตัวได้พลังงานได้สติด้วย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 แล้วก็ทำได้อย่างนี้จริงๆนะเรารู้สึกตัวทำได้จริงๆแม่มันดีนะแต่เวลาใดที่มันง่วงมันรู้สึกตัวเนะี่ยโอ้ันทีเลยหนะ้ามือเป็นหลังมือฝีมือของเราเองการกระทําของเราเองอย่างนียไม่เคยไปช่วยเราดอกการปฏิบัติทำให้ยืนอยู่บนลบแข้งของตนเองอาศัยตนเองเรียกว่ากรรมคือการกระทําของเราจริงๆ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 โลก็ได้แต่เวลานี้เรามาสร้างสติเรามาสร้างสติไม่ได้ไปเอาความโูภของท่านทิ้งไปสติมันก็เป็นของเราอยู่แล้วแตาโูดสึกตัวมันก็ไม่หลงอยู่แล้วถ้าหลงถ้าโลดเฉกตัวควมหลงก็หมดไปได้จริงๆแม้แต่ความโกรธก็หมดไปถ้าความรู้ดเฉกตัวมีแต่เวลาใดที่มันจะหลงเราโูดเฉกตัวเวลาใดมันโกรธเราโูดเฉกตัวไปทางนี้ไปทางนี้เอียงไปทางนี้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 ที่ให้เกิดไม่เมไมีแต่รูปนามไม่แต่ธรรมชาติไม่แต่อาการเป็นไปเองไม่ต้องไปอดไปทนไม่ต้องไปอดไปทนบางทีเราไปคิดไปข้างหน้าบางทีเราคิดขึ้นข้างหลังไม่ใช่ปฏิบัติธรรมมันเป็นปัจจุตังเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี่แหละคืออดีตปัจจุบันนี่แหละคืออนาคตสร้างให้มันดีสร้างปัจจุบันให้ดี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 เ, เรากราบพระพร้อมกัน